วันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องอนุโมพิกรถาซึ่งแปลว่ากรถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยลำดับเป็นการฟอกอัธยาศัยของผู้ฟังให้มีความประนีตขึ้นไปเพื่อพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงพระธรรมเทศนาชุดนี้ท่านใช้คำบาลีว่า ตุลานุศาสนีคือธรรมะที่ทรงแสดงมากที่สุดแม้ในช่วงที่แสดงอนัตแสดงธรรมจักอนัตนอาธิตะปรยา ย, ยสูที่กล่าวที่ได้กล่าวแล้วนั้น<ม>ก็มีบุคคลหลายท่านที่ทรงแสดงอนุบูปิกถาและอริยสัจสี่นะฮะจะต่ออย่างนั้น<ม><ม>ก็คือพระยสสะพ่อของพระยสสะ มันดากับัญญาของพระยสะและสหายของพระยสะอีก54รูปกับท่านปัจวัคีอีก30ท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงธรรมเทศนากันเดียวกันเขือนบูปิกถาทั้งหมดแม้แต่หลังจากแสดงอาทิตะปรยายสูตรแล้วไปเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวาร12นาขุดคือประมาณแสสองห่นคน ก็เป็นการแสดงอนุบูพิกถากับอริยสัจสีเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาชุดนี้จึงเป็นธรรมเทศนาที่แสดงมากแล้วก็นําคนให้รู้พระาศาสนาได้รับผลจากพระาศาสนาบ้างท่านเวลาบาลีท่านยกมานั้นท่านยกแต่คําว่าธานกถาศีลกถาเป็นต้นเท่านั้นเองแต่ว่าอธิบายก็ไปอธิบายกันอยู่ในชิอื่นคือในพระสูตรอื่นๆ ตอนนี้จึงไม่ได้เรียกเป็นชื่อของพระสูตรแต่ก็เรียกเป็นชื่อของกลุ่มธรรมข้อที่ควรเข้าใจเป็นประการแรกก็คือว่าในการแสดงนั้นตามปกติแล้วก็ไม่ได้แสดงครบทั้งเก้า็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังโดผู้ฟังเขาจะมีพื้นความเข้าใจมากขนาดไหนก็จะขยับธรรมะขึ้นไปเรื่อยซึ่งบางครั้งก็ชั้นเดียวบางครั้งก็สองบางครั้งก็3แล้วแต่ บางครั้งก็ขึ้นถึง5ถ้าถึง5แล้วผู้ฟังยังไปได้ก็จะขึ้นที่อริยสัจส์่ถ้าไปไม่ได้ก็เพียงแค่5ข้อก็เริ่มมาจากฐานกถาคือทรงแสดงถึงฐานได้แก่กุศลและเจตนาที่มุ่งบริจาคมุ่งเสียสละเป็นการขาจัดมัจฉริยะคือความสนีความหวงในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งนั้นๆออกไปจากใจของตน อาการให้ทานตามปกติแล้วจะต้องเกิดด้วยกุศลเจตนานะคือมองเห็นผลอานิสงส์ของการให้แล้วก็มองเห็นโทษของความสนิทความหวงในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแล้วก็ให้ออกไปบางครั้งท่านจำแนกแสดงเป็นชั้นๆไปเช่นว่าของน้อยก็ให้ตามน้อยคือเราจะมีน้อยมีมากก็ตามก็สามารถที่จะให้ได้ที่ใช้คำว่ายถาสติยถาพลัง คือตามฐานะตามกำลังของเราแต่ว่าจะต้องเป็นการให้ด้วยศรัทธาคือจะต้องเกิดศรัทธาขึ้นมาก่อนจึงให้ไม่ใช่ว่าใครว่าไงก็ให้กันเรื่อยถ้าไม่มีศรัทธาจะทำไงคือไม่ต้องให้เพราะว่าบทอย่างอื่นมีเป็นอันมากที่ทรงแสดงเอาไว้และในการให้ด้วยศรัทธานั้นอย่างทรงจำแนกสแสดงว่าจะต้องพิจารณาก่อนจึงให้ การพิจาราก่อนแล้วให้นั้นพระพุทธเจ้าสันเสริมข้อที่จะพิจารณานั้นก็มีอยู่หลายอย่างโดยสรุปอย่างยิ่งก็คือว่าสองสในส่วนของบุคคลผู้ให้จะต้องพิจารณาสองอย่างคือกำลังทรัพย์ที่เราจะให้กับกำลังศรัทธาที่เกิดขึ้นเพื่อจะให้ถ้ากำลังทรัพย์เรามีน้อยแม้ศรัทธามากก็ต้องให้ตามกำลังทรัพย์อย่าไปให้ตามกำลังศรัทธาเดี๋ยวก็อดข้าวกัน แล้วก็แม้แต่ว่าศรัทธาไอ้กำลังทรัพย์เราจะมากศรัทธาก็มากจะต้องให้ตามกำลังของศรัทธาที่บังเกิดขึ้นซึ่งก็หมายความว่าไม่จนถึงกับเดือดร้อนการทำบุญจะต้องไม่เดือดร้อนในภายหลังไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าว่าเดือดร้อนในภายหลังก็ไม่ชื่ว่าเป็นการกระทาบุญที่จริงขั้นตอนในการปฏิบัติเรื่องให้ทานนั้น ถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าว่าก็คงจะไม่มีการค่อนแครอะไรกันพราะเป็นกุศลและเจตนาจริงๆคือคนที่ให้ทานนั้นจะต้องสํานึกว่าการให้ทานนี้เป็นการดีเพราะอะไรเป็นการอนุนเคราะห์เกือ้อกูลแก่คนอื่นและตนเองก็สามารถขจัดกิเลสให้ออกไปจากจิตใจได้จนมีกําลังในการบรรเทากิเลสสายโลภะคือคนเราเมื่อให้ได้ แต่ความโลภมันต้องน้อยลงเพราะถาถ้าความโลภยังมากอยู่ไม่มีทางจะให้ได้ถ้าตั้งหลายจะเห็นว่าก็มีลักษณะที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวถ้าเราให้แสดงความโลภมันลดแต่ถ้ า, าคนที่ความโลภยังไม่ลดไม่มีใครสามารถให้ได้ซึ่งถ้าหากว่าลองวิเคราะห์จิตใจหรือว่าในการบาเพ็ญทานในชีวิตประจำวันของเรายังสังเกตได้ว่า บางครั้งก็มีความรู้สึกอยากจะให้แต่ความโลภมันไม่ยอมลดสักทนะีเลยให้ไม่ได้อาจจะตั้งใจจะบริจาคสักร้อยบาทแตความเสียดายความหวงความโลภในทรัพย์นั้นยังมีครบทั้งร้อยฮจะให้สักห้าสิบจตางก็ไม่ได้เนี่ยลองสังเกตดูบางครั้งก็ล้วงแลว้วล้วงอีกเลยก็บริจาคไม่ได้เพราะอะไรเพราะความโลภมันไม่ยอมลดลงไปไม่ยอมลดลงไปมันก็เหนียวมันเป็นการสะหนีเป็นยางไว้ก็ดึงไว้ทําให้เราให้ไม่ได้ นี่คือผลดีจริงๆก็ผลดีอยู่ที่เราเป็นผลที่ประจักษ์แก่ใจของผู้ให้ในขณะนั้นๆในแง่ของความหมายจริงๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงว่าจะต้องให้แก่พระหรอกคือให้แก่ใครก็ได้ให้มันขจัดมัจจริยะได้ต่นนั้นเด็กแต่ว่าการให้ในชั้นที่ประนีตขึ้นไปนั้นก็ทรงจําแนกแสดงในรายละเอียดออกไปคือทรงแบ่งไว้ตั้ง <c oughs> ตั้งสิบสองชั้นนะฮะ คือตั้งแต่ให้จัตว์ดอิริชานไปต้นไปแล้วก็เป็นทานทั้งหมดเราก็เรื่อยไปมันก็เพิ่มบุญขึ้นไปเรื่อยๆไอการที่จะเพิ่มบุญนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ4ประการเฉพาะบุคคลนะฮะคือหมายความว่ า, าทักซีนาคือการให้บางอย่างนั้นผู้ให้เองก็ไม่บริสุทธิ์ผู้รับเองก็ไม่บริสุทธิ์มันมีลักษณะเหมือนกับพืชชนิดไม่ดีไปหว่านลงในนาดอนอผลมันก็น้อย นี้แสดงว่าผู้ให้เองก็ไม่ได้มีกุศลเจตนาที่ดีหรือปัจจัยที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมหรือว่าเกิดเสียดายขึ้นในโอกาสใดโอกาสหนึ่งคือแสดงว่าความโลภเกิดมาท่วมทับใจซะอีกคล้ายๆกับกวาดบ้านไปสะอาดแล้วก็คุณก็เกิดวูบขึ้นมามาทำเพื่อนซะอีกนั่นก็ผลมันก็น้อยการให้บางอย่างนั้นปฏิกา 6, ผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์มันก็มีผลกึง่งหนึ่งมีลักษณะเหมือนว่าเอาพืชชนิดดีไปหว่านในนาเอพืชชนิดดีไปหว่านในนาที่ไม่ดีผลมันก็น้อยลงซึ่งหมายความว่าผู้ให้อาจจะสมบูรณ์ด้วยในด้านปัจจัยคือสิ่งที่เรานํามาบริจาค ก, ก็ได้มาในทางที่ชอบทำคือต้องของที่ได้มาโดยธรรมนะฮะต้องของที่ได้มาโดยธรรมแล้วก็ปัจจัย เจตนาของเราทั้งก่อนให้ขณะให้หลังจากให้เป็นเจตนาที่ดีคือไม่ถูกความโลภขัดขวางในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือมัจฉริยะความสนีทขัดขวางในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วแต่ว่าบุคคลที่รับมันเสียคือมันเสียอยู่อันนึ่งก็ทําให้อดิสงค์มันน้อยทีนี้ในบางกรณีนั้นผู้รับนั้นดีแต่ผู้ให้ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ หรือว่าให้ด้วยความจําเป็นความจําใจไม่ได้เกิดศรัทธาอะไรตัดความรำคาญอย่างในขราวกรณีที่ทอดกรถินทอดป่าอะไรมากๆอย่างนี้บางคนโดนดีกามากๆก็ปัดความรำคาญขี้เกียจพูดก็ให้ไย่งั้นเองคือถ้าอย่างนั้นเราอย่าให้อะเพราะผลมันจะย้อนกลับมาคือผลของกรรมนี่มันจะย้อนเป็นกิริยาปฏิกิริยาเมื่อเงาสะท้อนจากกระจกคือก็จะกลับมาในรูปที่เราให้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องนางปัญจป่าปาหรือปัญจปปี โกรธพระบาเจกโพธิพระบาเจกพุทธเจ้านะฮะก็ให้ดินไปไอ้ส่วนบุญก็บุญนะส่วนบาปก็บาปเป็นการให้แบบปัดความรำคาญเพราะงั้นหน้าตาแกเลยเพิการถึงห้าแห่งคือปากตาจมูกหูไม่อยู่ในจุดที่ควรอยู่มันก็พิกลพิการไปเรียวกว่าปัญจะป่าๆคื อ, อไม่งามอยู่ห้าแห่งแต่ว่าเนื่องจากได้ถวายดิน แกพระปฏิเจกาพรพุทธเจ้าซึ่งรองจากพพุทธเจ้าท่านก็มีสัมผัสที่เป็นทิพย์สัมผัสพิเศษมากบุญบุญบุญกรรมมันก็มันก็ให้ผลด้วยกันไม่ใช่คือบุญกระบาบให้ผลด้วยกันต่างปลายต่างก็ให้ไปในกรณีนี้ถ้านแนวพระพุทธศาสนาแล้วท่านไม่ให้เดีอยวไปให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ไปเลยถ้าให้ต้องทําใจให้สบายจะมากหรือน้อยไม่ได้สําคัญอะไร แต่ว่าผลที่เต็มที่จริงๆนั้นก็อยู่ที่ว่าทั้งสองฝ่ายสมบูรณ์นะฝ่ายชาวบ้านเองก็สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยกันญาณธรรมปัจจัยที่นำมาให้ก็ได้มาโดยธรรมเจตนาทั้ง3การคือก่อนให้ขณะให้หลังให้ก็ดีแล้วผู้รับก็เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยกันญาณธรรมดังนั้นเวลาเวลาท่านผู้ท่านแสดงในเรื่องนี้ก็หมายความว่า เป็นเน้นเอาที่พระรยาบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยคุณนะมันมีลักษณะเหมือนดินที่ดีถ้าเจตนาก็ทายกดีผล บ, บุญมันก็มากแต่ว่าทานที่พิเศษจริงๆนั้นจะมีองค์ประกอบ4ีประการนะฮะคือหมายความว่าบุคคลผู้รับผ่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์ปัจจัยที่เราได้มาบริสุทธิ์จังเกะและเจตนาดีทีนี้ท่านที่รับผ่านเนี่ยท่านออ ก, ก่างนิโรธสมาบัติ ซึ่งหาได้ยากไอ้จังหวะอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลจริงๆมีเราเจ็ดคน น, ะนั่นเองตีให้ทานได้ผลในขณะนั้นในวันนั้นสองสามวันตรงนี้ซึ่งซึ่งไอ้ไอ้จะบังเอิญจริงๆนี่โอกาสมันยากมากแล้วก็ดูตัวอย่างที่ท่านประสบผลพิเศษไอ้ตัวปัจจัยเขาไม่ได้มากมายอะไรนะฮะไม่ได้มากมายอะไร ไม่ชานี่มีโยมก็เล่าความมาที่บ้านหนึ่งกำลังเตรียมอาหารจะเลี้ยงพระงบประมาณหนึ่งหมื่นอาตมาคนลูกเลยเอามาพิมพ์หนังสือแจกนีกว่าคือเนี่ย ค, คือเราไปคิดอะไรไปคิดอะไรพระก้าวองศาณอาหารตั้งหมื่นมันไม่ไหวแล้วอ้นี่ก็ไอทําให้พวกอื่นก็ค่อนขอด้ะคะกับพระอยู่ดีมีสุขไปงบประมาณตั้งสองสามร้อยก็โขแล้วมันไม่ได้มากมายขนาดนั้นคือเนี้ยเราบางทีเราก็ไปทํากันเองนะะแล้วภาพลบเนี่ยมันออกมาที่พระ เคยถูกชาวบ้านก็าโจมตีอาว่ากินอยู่ดีมีสุขกระไรตะแรงหรือพิมพ์เด็ก็เขียนกันในปัจจุบันแต่บางทีก็เรื่องของโยมะโยมก็ทําเข้าเองพระไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าจะไปด่าโยมก็กลัวจะโดนต่อยปากเลยก็ดา่าพระเล่นๆนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องของของคนที่เขาอยากจะพูดแสดงเห็นว่าทานที่บุคคลให้นั้นจะต้องเกิดขึ้นด้วยกุศลและเจตนาที่มุ่งจะเสียสละ จึงแบ่งออกเป็นสองชั้นนะฮะท่านยังท่านตั้งหลายจะเห็นว่าแบ่งเป็นสองชั้นคือชั้นหนึ่งนั้นได้แก่การสละวัตถุสิ่งของจะเป็นอะไรก็ตามะฮะแต่ของที่ต้องได้มาโดยทางในชั้นเดิมไม่ไม่ต้องสละวัตถุอะไรเลยได้แก่อภัยทานอภัยทานนี้สบายมากแต่ว่าขจัดโทสะนะฮะไม่ใช่ขจัดโลภะอภัยทานเช่นเราเกิดโกรธเกิดไม่พอใจใครเราอภัยให้เขานี่เป็นทานชนิด แล้วทานที่สูงขึ้นไปกว่านั้นยิ่งไม่ต้องให้อะไรเลยชนะดีกว่าการให้ทั้งหมดคือให้ธรรมทานญาติโยมทั้งหลายก็สามารถที่จะให้ได้การบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนบุคคลอื่นด้วยเจตนาดีนั้นเป็นธรรมทานบรรดาการให้ทั้งหมดพอให้ก็จริงๆท่านจะเห็นว่ามันเริ่มมาที่วัตถุเพราะวัตถุมันให้ง่ายเรามีเราก็ให้ได้แต่ลองดูให้อภัยให้ยากนะฮะบางคนโกรธกันสิบกปีแห่งความหลังยังแค้นอยู่เลยยังไม่หาย มันไม่หายโกรธมันสละยากอภยธานจึงมีลักษณะที่ประนีตพอถึงจุดดึงนั้นคือธรรมะไม่ต้องให้วัตถุสิ่งของอะไรแต่เป็นกุศลและเจตนาปรารถนาความสุขความเจริญแก่บุคคลนั้นก็บอกทางเสื่อมทางเจริญให้เขาเพื่อให้เขาดำเนินชีวิตไปในทางเจริญจงแสดงว่าชนะการให้ทั้งปวงหมดนิทานเองพัฒนามาถึงจุดที่ไม่มีเกี่ยวกับวัตถุนะ เพราะงั้นให้เห็นว่าในจุดสุดยอดของการปฏิบัติธรรมะทุกขั้นตอนจึงไม่ใช่สละวัตถุจะเป็นการสละกิเลสสละกิเลสได้เท่าไหร่ผลมันก็มากขึ้นเท่านั้นไม่ไม่อยู่ที่วัตถุนะฮะท่านอนาณตบินทิกะเศรษฐีท่านเคยขาดแผนอย่างแรงเหลือพวกยืมเงินไปไม่สมคืนบ้างอะไรต่อะไรบ้างแต่ว่าท่านไม่เคยละการให้ทาน พระพุทธเจ้ารับสั่งถามเป็นไงที่บ้านอยางให้ทานหรือท่านบอกอยางให้แต่ปัจจุบันนี้ให้มากๆไม่ได้คืออาหารประณีตไม่ได้ก็ให้ไปตามตามที่มีพระพุทธเจ้าบอกไม่สําคัญเรามันไม่ได้อยู่ที่วัตถุประณีตขอให้จิตใจประนีตก็พอแล้วจิตใจประณีตมันก็มีบุญมีอานิสง์ซึ่งอาจจะให้อะไรก็ได้นางปุณณธาตุสีให้แป้งกีบอันเดียวแก่พระพุทธเจ้าแป้งกี่ที่ทำมากับมือด้วยปิ้งก็ยังไม่ค่อยสุกดีเลยับไป แต่ว่าเป็นกุศลเจตนาจริงๆแกเสียสละของซึ่งเป็นอาหารมื้อของแกนะฮะแล้วแกถวายพระพุทธเจ้าถวายพระพุทธเจ้าดยตัวเองยอมอดไอตัววัตถุมันก็ไม่ประนีปอะไรแต่ใจมันประนีเระนอนเป็นความเสียสละอย่างสูงขาจาัดมัชฌิรยะอย่างแรงนะฮะนอกจากแกไม่เห็นแกกินเพื่อตัวเองแล้วยังพร้อมที่จะเสียสละอาหารของตัวเองเพื่อถวายพระพุทธเจ้าการให้ทานนั้น ทรงแสดงอานิสงค์คือผลอคำว่าอานิสงค์คือผลดีอย่างที่เคยบอกมาแล้วนะฮะว่าคำว่าผลเนี่ยมันมีทั้งผลดีผลไม่ดีวิบากก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าใช้คาว่าอานิสงค์จะหมายถึงผลของการกระทำดีทนั้นทรงแสดงไว้แก่ท่านสีหะเสนาบดีคือบางทีจะแสดง5บางทีจะแสดง6น ะ, ะแต่ว่าที่แสดงแกส่สีหะเสนาบดีนั้นแสดงไว้6ข้อ คื อ, อหนึ่งเป็นที่รักของคนทั้งหลายแล้วก็มีพระพวกมีบริวารมากเกียรติคุณดีงามฟุ้งก้าจอนไปเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปแล้วก็เข้าไปในสมาคมใดโกงอากล้าหารไม่ครั่งครามขมเกรงในสมาคมนั้นเป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและไม่หลงตายตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติ อันนี้สงทางหกประการนี้ท่านศีหะเสนาบดีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของนิครนแกบอกว่าสี่ข้อนั้นแกไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะแกสัมผัสมาแล้วด้วยตัวเองแกเป็นนักเสีสละก่นหนึ่งแต่ว่าสองข้อนั้นต้องเชื่อพระพุทธเจา้าคือไม่หลงตายกับตายบังเกิดในสุคติเพราะพระพุทธเจ้าศสรูพระเจา้าทรงรู้ทรงเห็นด้วยประญาณ เมื่อทรงแสดงถึงฐานนะฮะเรื่องของฐานยังมีวิจิตพิสดารแต่ว่าองค์ธรรมก็คงจะเจอจะบ่อยๆเฉพาะในที่นี้ก็จะกล่าวเพียงทน่นี้เมื่อผู้ฟังมีอัธยาศัยที่เรียกว่าประณีตขึ้นแล้วนะฮะเพร้อมที่จะรับปฏิบัติในข้อที่สูงขึ้นไปพระพุทธเจ้าก็จะไปขึ้นที่สีถ้าไม่พร้อมก็ไม่ขึ้นไปจะกระจายที่ฐาน จะกระจายที่ทานโดยวิจิตพิสดารเพื่อให้เกิดฉันทะอุสาหะสูงขึ้นจนพัฒนามาจากให้ของเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยให้ของเล็กๆน้อยๆให้โดยศรัทธาให้ของได้มาโดยธรรมพิจารณาแล้วจึงให้อา่าแล้วก็ให้แก่บุคคลที่ควรให้คือเป็นทักทิ้งอบุคคลมันก็ประณีตขึ้นไปเรื่อยนะฮะประนี้ก็้นไเรื่อยจนถึงมาเป็นอภัยทานอภัยทานแล้วก็ออกมาเป็นธรรมทานซึ่งสองอย่างนั้นเป็นการสละไม่ได้สละวัตถุ ระนีสูงสุดจึงไม่ใช่เป็นการสละวัตถุเป็นการสละครั้งแรกก็สละโทสะนะฮะอภิยทานนั้นสละโทสะพยาบาทแล้วก็ธรรมทานก็สุดมากก็เกิดขึ้นมาจากกุศลเจตนาเมตตากรุณานะมันเกิดธรรมะทีเดียวก็สององออในชั้นของอานิสงฆ์นะฮะก็เห็นจะเล่าตัวอย่างบุคคลเสีย บางคนซึ่งบางทีมันก็ไม่น่าเชื่อเล็กเล็กน้อยน้อยเล็กเน้อยแต่ว่าผลอานิสงส์ที่เรียกว่าไปบังเกิดในสุคติก็รับสั่งเล่าไว้มากมายก่ายกองโดยเฉพาะในวิมานวัตถุคือเรื่องด้วยวิมานบางครั้งก็เป็นเป็นการให้อะไรผลไม้ผลเดียวนะฮะคือพอเห็นท่านผู้รับก็เกิดศรัทธาแต่ว่าให้สังเกตไวอย่างหนึ่งเกิดศรัทธาขึ้นก่อนทุกทีฮะต้องเกิดศรัทธาขึ้น เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาแล้วจึงให้ตัวการสำคัญจึงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้โดยวิธีอื่นเพราะงั้นใต้องต้องผ่านบันไดมาอังกามแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผลอนิสงเกิดขึ้นซึ่งผลของทานว่าที่จริงถ้าเราลองสังเกตนะฮะเราพบได้ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยไม่ไไม่ไม่ได้ไกลไม่นานด้วยแต่ต้องอาศัยการสังเกตคือเชื่อมโยงกันให้ได้ว่า อันนี้มันเป็นเรื่องของอะไรมาเคยพบคนเป็นนั้นมากที่คือเขาโยงได้เลยว่าเนี่ยเป็นผลของทานเขาที่เขาให้มาแล้วก็ไม่นานนะฮะบางทีก็เป็นเป็นปีแต่นั้นเองที่ก็เป็นเดือนเล้วขึ้นอยู่กับแรงของกุศลในเจตนาเขาว่าจะมากน้อยแค่ไหนนนะั่นนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรศึกษาเอาไว้ว่าการให้ทานในทางศาสนานั้นต้องเกิดจากความจำนึกเห็นผลของการให้ เห็นโทษของความโลภความโศนเห็นโทษของกิเลสนะฮะเห็นโทษของกิเลสในชั้นชีวิตสามัญจึงทรงแสดงในรูปที่ว่าผูกมิดไมตรรีนะฮะูกมิตรไมตรีไว้ได้เป็นการทรงเคราะห์นอเคราะห์เกื้อกูลกันในชั้นของศีลซึ่งโดยทั่วไปแล้วสําหรับก็ธรรมะส่วนนี้จะแสดงแก่ชาวบ้านนะฮะจะไม่แสดงแก่พระแสดงแก่ชาวบ้านโดยทั่วไปศีลก็คือศีลห้านั่นเอง ศีลก็เหมือนกันก็เกิดขึ้นด้วยกุศลแลเจตนาที่มองเห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นผลเห็นเห็นอานิสง์ของการรักษาสมาทานศีลเหล่านั้นแล้วก็เกิดกุศลแลเจตนาวิรัติงดเวน้นคือไม่ประพฤติไม่กระทําเป็นการละเมิดศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไวออ้การเกิดของศีล น, นั้นบางออในเชิงจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องรับจากพระอะไรหรอก คือมันอาจเกิดด้วยกุศลและเจตนาก็แล้วกันนะการจะเป็นศีลขึ้นมาจึงเป็นอยู่ได้สามวิธีวิธีแรกก็คือรูปแบบอย่างที่ว่าเนี่ยที่มีการสมาทานมันก็ช่วยเพิ่มบุญส่วนอื่นจนเราจะเห็นว่าถ้าสมาทานศีลแล้วก็มันจะเดินหน้าไปในเรื่องอื่นด้วยคนที่มานิยมเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลนั้นเพราะไม่ได้มุ่งเฉพาะศีลอย่างเดียวแต่มุ่งอย่างอื่นด้วย จึงมาเข้าวัดฟังธรรมกันแต่รูปของการสมาทานก็ดีเป็นการปฏิญาณตนต่อพระรานาตรายต่อหน้าพระสงฆ์แล้วต่อหน้าเพื่อนอุบาสกอุบาสิกาก็มีสกีพยานหลายคนนะฮะเผื่อว่ารับสาศีลไปแล้วก็คงจะไม่แอบไปดื่มเหล้ากลัวเพื่อนที่รับศีลด้วยการจะเห็ น, นยังไงยังไงมันก็ช่วยช่วยกันนะฮะแว่าชั้นนี้เป็นเรื่องของรูปแบบนะเป็นเรื่องของพิธีกรรม แต่ว่าอีกชั้นหนึ่งนั้นท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัติก็ไม่จําเป็นแต่เป็นกุศลและเจตนาเองที่เกิดขึ้นเช่นสมมติว่าโยมไปเห็นปลาตัวใหญ่ก็นึกจะจับไปแกงมันก็นึกขึ้นมาได้ว่ามันไม่เหมาะไม่ควรเลยก็เอาปล่อยปล่อยเสียนี่มันก็เป็นศีลไปนลเห็นทราบสมบัติก็วางไว้ถ้าหยิบฉวยออกก็ได้ไม่มีใครเห็นแต่ก็นึกถึงเ อ, อ ความสำนึกที่เกิดด้วยฮีริโอตาปะของเราเองนะฮะฮีริโอตาปะนั้นมันเป็นมโนโ ธ, ธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราแล้วเราสํานึกกับเราเองเราเลิกละไปเองไปอย่างมีอุบาสุกคนหนึ่งชื่อจักกะหมอเขาบอกว่าแม่คุณเนี่ยจะหายได้ก็ต้องมียาเนี่ยผสมด้วยเลือดของกระต่ายเลือดสดๆของกระต่ายวันี้จะทํำยังไงพี่ชายก็บังคับให้แกไปจับกระต่าย เอาเลือดมาผสมยาแก้จับได้แล้วนะแกก็นึกว่าเอ้มันมันน่าจะไม่ถูกนะเอาชีวิตของคนหนึ่งแล้วมาแลกกับชีวิตของคนหนึ่งจึ่งกระต่ายเองมันก็ไม่รู้อิโนโนอิเนเออะไรแล้วเราจะเอ า, เอาชีวิตของกระต่ายมาแลกกับชีวิตของแม่เราเพื่อแม่เราหายป่วยไม่ถูกแล้วแกปล่อยกระต่ายไม่เอา แต่ว่าด้วยกุศลเจตนาเนี่ยแกก็อธิษฐานอธิษฐานใจให้โรคไข้ของแม่หายแม่ก็หายโดยไม่ต้องใช้เลือด ก, กระต่ายแต่ท่านจะเห็นว่ากุศลแรงมากนะฮะกุศลเจตนานที่เกิดขึ้นมันแรงได้เกินสามารถใครจัดความเห็นแก่ตัวใครจัดความอาฆาตพยาบาทขยจัดความหลงความโลภคือกิเลส ท, ทั้งสามสามกองเนี่ยมันมันมันเบาลงเยอะดนันมันตัดสินใจไม่ได้เราก็จับได้แล้วแต่แกก็ตัดไปได้ตรงนั้นมากลายเป็น ธรรมะที่สามารถอธิษฐานเพื่อให้เกิดผลได้นี้เป็นผู้สัมปัตตวิรัติไม่จำเป็นฮะไม่จาเป็นจะต้องไปรักษาศีลสมาทานศีลมาจากไหนแต่ตัวฮิริอุตปะจะคุ้มครองใจเราแล้วก็วินิจฉัยตัดศีลเหตุการณ์เหล่านั้นไปตามควรแกร่กรณีเองในชั้นของการปฏิบัติแล้วก็ประณีตขึ้นนะฮะว่าจริงจริงคือยากกว่ายากกว่าสมาทานศีลเราะสมาทานศีลนี่ไม่แน่นะมาเห็นเยอะ โดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดเนี่ยรับสาศินเสร็จแล้วจะางงานศพงานอะไรไรรับศีลเสร็จแล้วก็หันหลังให้พระก็ดื่มเหล้าต่อเวลาพระมาตรวดเตียงใหม่ก็รับอีกอ่ะรับอีกก็นี่ฮะก็ทำอย่างนี้ก็ทำเป็นเล่นไปครับแล้วไม่รู้รักษาได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าในขณะนั้นไม่มีสัตว์ให้ฆ่าไม่มีทรัพย์ให้รักไม่มีอ วัตถุที่เป็นเหตุให้ร่วงประเวณีไม่มีเรื่องให้โกหกแกอาจจะไม่ทำแต่ว่าล่าวังใกล้ๆแก ก, ก, ก็ดื่มเนี่ยนะก็แสดงว่าข้ออื่นไม่แน่แกจะรักษาได้หรือเปล่าแต่ถ้าสามปัตวิวรัตท่านจะเห็นว่ามันเป็นความสํานึกรับผิดชอบของเราเองมันเกิดขึ้นในตัวเราเองตอนนี้โยไม่ต้องเข้าวัดไม่ต้องอยู่ที่วัดไม่ต้องมาวัดก็ได้มันเกิดขึ้นตรงไห น, นแล้วก็เป็นศีลในตรงนั้นศีลจึงแปลว่าปกติปกติ คือหมายความว่าโดยแง่ของชีวิตแล้วเนี่ยปกติของคนก็เป็นอย่างนั้นคือไม่เบียดเบียนกันในร่างกายทรัพย์สินประเวณีไม่โกหกหลอกลวงกันไม่ทําอะไรที่เป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือมั่เมาตัวเองโดยการดื่มสุรามีไรเมื่อปกติได้มันก็เย็นก็มีลักษณะเศียก็คล้ายๆกับกฎจราจรเนี่ยนฮะคือหมายความมาไปตามสภาพปกติ ใครอยู่ในเลนไหนก็ไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไปกันได้ตามปกติที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะมันเกิดอับปกติขึ้นมามันไม่ปกติมันเกิดจะแสงซ้ายแสงขวาเพื่อนมันเกิดจะเบียดเพื่อนขึ้นมาเลยก็ไม่ปกติมันก็เสียเป็นรูปของสีนพะปกติมันก็เย็นสีนยังแปลว่าเย็นหมายความวันก็ไปกันได้อยู่กันอย่างสงบร่มเย็นปัญหาในสังคมนั้นปัญหาจากการขาดแคลนศีน อาการปิดปกติจึงเกิดขึ้นเป็นนั้นมากเมื่อเช้านี้อ่านหนังสือพิมพ์เนินสดุ้งนะครึ่งปีนี่ข่าวคมขืนเนี่ยมีร้อยมีพันห้าร้อยรายแ ล, ยลย้วปีที่แล้วสองพันรายค่ากันตายปีที่แล้วตั้งแต่เจ็ดพันโอ้โหน่ากลัวมากเลยนี่เป็นเรื่องอะไรปิดสีทั้งหมดเลิดีทั้งหมดเพราะมันเกิดภาวะที่ไม่ปกติขึ้น ไอ้ความสงบเย็นมันก็ไม่เกิดขึ้นไปในสังคมแต่ เ, เรื่องของความสำนึกธรรมดานะฮะท่านทั้งหลายเราสังเกตรเรื่องศีลสำนึกธรมธรมดาธรรมดานี่ไม่มีอะไรศีลจึงมีสอนแม้ในศาสนาอื่นเพราะเป็นกฎเกณฑ์เป็นความสำนึกที่ชอบได้เหตุผลของคนทั่วไปแล้วก็ข้อสุดท้ายนั้นเป็นเป็นเรื่องตัดขาดก็เรียกสมุทเฉตวิรัตเกิดขึ้นในการตัดขาดเลย ตัดขาดก็มีอยู่สองอย่างนะฮะโดยอนุโลมนั้นหมายความว่าโยมอาจจะรักษาศีลศีลหนี่แหละจะไม่ค่าสัตว์ตลอดชีวิตนั้นเราก็วิรัตเด็ดขาดส่วนนี้ไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตไม่พูดปิดในการตลอดชีวิตมันก็ได้ไปคือไอ้ข้อสองข้อก็ตามก็ถือว่าตัดขาดไปในส่วนนั้นแต่ว่าคนที่จะตัดขาดได้จริงๆเป็นสมุเชตวิรัตจริงๆนะ จะต้องเป็นระดับพระอริยบุคคลคือตั้งแต่ประโสบดาบันขึ้นไปถ้าปุตตุชนแล้วส่วนมากมันแกว่งแกล้งแกล้งแกล้งมเอาดีไม่ค่อยได้บางทีก็ดีเหลือหลายบางทีก็เอาอะไรไว้มาอยู่เลยเพราะอย่างจิตนั้นยังตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสสมุจเจตวิรัติจึงมีอยู่สองชั้นชั้นสามัญ น, นั้นถ้าเราทําได้ครบห้าข้อเราก็ไม่เป็นปุตุชนแล้วนะเ ป, นปนวนะเป็นประโสบดาบันแล้วแต่ว่าเด็ดขาดไปเลยทั้งห้าข้อแต่แท้จริงเราทําไม่ได้ เพราะว่าในรายละเอียดนั้นยังมีอธิบายออกไปเป็นนั้นมากศีลห้าเนี่ยปานนาทินนานี่ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทินนายิ่งยากใหญ่เลยส่วนมากเราไม่นำมาอธิบายโดยพิสดารก็สอนกันในชั้นเรียนเรากลัวโยมจะขยาดศีลเวลาพระเทศเองก็เทศเพียงเบอๆก็เทศธรรมดาธรรมดาไม่ได้ม่ได้เอารายละเอียดมาพูดเพอรายละเอียดมาพูดจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะอาทินนาทานเนี่ยมันมันยากเหลือเกินแกการปฏิบัติแม้แต่ซื้อของหนีภาษีมันก็อาทินนาทานนะ ในนี้เม th enfin ืองเมืองไทยเรานิยมของหนีภาษีกันด้วยไม่ว่าเป็นเป็นอาทินาทานในลักษณะหนึ่งเอารถหลวงไปใช้ในกิจส่วนตัวก็เป็นอาทินาทานนะเอาเวลาราชการไปทําประโยชน์ส่วนตัวก็เป็นอาทินาทานหนึ่งมันมันมันไม่ได้เพราะฉะนั้นชั้นประณีจริงๆจึงเป็นไม่ได้นอกจากพระโสดาบันนะนี่แสดงเห็นว่ายิ่งศีลยิ่งประณีตขึ้นไปนั้น ยิ่งคุมด้วยตัวเองมากขึ้นแต่ที่จะคุมด้วยคนอื่นเพราะงั้นถ้าถ้าเราไตา่อันดบับเราจะเห็นว่ามันก็เริ่มจะสมาทานคือมีสักขีพยานมีบุคคลมีอะไรมีมีเพื่อนฝูงแยะพอประนีขึ้นไปก็สัมปัตติวิรัตตัดสินใจเองเลยประนีขึ้นไปอีกตัดขาดไปเลยอานิสง์คือผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลอย่างในท้ายของศีลนะฮะที่เราสมาทาน ส, นสีเลนสุกติงยันติคือได้สุขก็เพราะศีล ศีลเป็นตัวระงับตับเวรดับภัยดับเวรก็ดับภัยนะฮะคือการจองเวรท่านจะเห็นว่าเราฆ่าเขาเขาฆ่าเราเป็นการต่อเวรกันทีนี้ถ้าเราไม่ฆ่าเขาก็ไม่ฆ่าเราเอเวรในเรื่องนี้ก็ดับภัยจากเรื่องนี้ก็ดับอธินาทานน่ะมันส่วนมากมันก็เปลี่ยนกันรักรักกันไปรักกันมาอย่างต่างจังหวัดเนีบางทีบ้านนี้ไปขโมยควายบ้านนั้นแต่เดียวก็ไม่กี่วันพวกนี้ก็ยกพวกไปขโมยนะว่าสืบรู้ มันเป็นทางแห่งเวรแห่งภยัยศีลจึงเป็นตัวระ ง, งับตับเบนภยัยเมื่อไม่มีเวนไม่มีภยัยมันก็เป็นสุขเป็นสุขกติที่เราได้ในปัจจุบันแล้วก็อา น, นิสงข้อต่อไปก็คืออะไรถึงถึงพร้อมโดยพวกกสมบัติคือดูคล้ายๆกับลักษณะขัดแย้งกันนะฮะแนวคิดของคนปัจจุบันเราเคยได้ยินนักการศึกษาดีๆนะฮะจบนอกมาด้ยซ้าไป แกพูดเราดือด้อซื่ออย่างนั้นเองบอก เ, อเดี๋ยวนี้ไม่โกงไม่รวยหรอกอาจารย์ <c oughs> ไม่โกงไม่รวยมันต้องโกงถึงจะรวยแกพูดซื่อๆแล้วก็พูดอย่างนั้นจริงๆถามถามมาพูดเล่นหรือพูดจริงแกบอกพูดจริงๆต้องโกงเท่านั้นจึงรวยถ้าถ้าไม่โกงไม่รวยนี่เราจะเห็นว่าความคิดเห็นมันวิปลาสออกไปนั้นแต่พวกกสมบัตินั้นหมายถึงว่าความถึงพร้อมด้วยโผ ค, ค่ขึ้นมันมีทั้งเชิงรูปธรรมคือรู ป, ปวัตถุพูดถึงอะไรแล้วสะดุ้งหลังวูบวูบอ่ะ มันไม่ได้สุขใจอะไรมันไม่เป็นโภคคัไม่ไม่เป็นโภคทรัพย์มันก็ได้ในด้านรู ป, ปรวัตถุแต่ถ้าเป็นการได้มาโดยศีลซึ่งท่านจะเห็นว่าของที่ได้มาในทางถูกต้องตามธรรมนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะไม่ค่อยหายหรอกไม่ค่อยหายแต่แต่ของที่ได้มาไม่ดีแล้วมันมันรุ่ยฉุยแฉกหายไปเลยถ้าลองสังเกตจะเห็นได้ชัดได้มาเคยสังเกตเทรัพย์อย่างหนึ่งคือได้มาจากแรกเนี่ย ไม่เขาอยู่เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยพวกที่ได้เงินมาจากแร่โดยเฉพาะไอแร่เถื่อนและปาใหญ่เลยมันหายจอจอมจอมเได้ไมาเยอะมันหายไปหมดเลยมีอันเป็นไปไปเสียการพ น, นันไปอะไรตไรเนี่ยได้มันง่ายแต่ก็เสียง่ายแต่ว่าสิ่งที่ได้มาในทางถูกต้องตามหลักของศีลธรรมจะไม่ค่อยหายจะไม่เป็นอันตรายด้วยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะโจรหรือจะภัยอย่างอื่นก็ตามแล้วก็ สีเลนอนิพพุติยันติบรนรุปวณิพานาก็เพราะศีลแต่ศีลเป็นภาคพื้นนะฮะไม่ใช่ว่าศีลศีลอย่างเดียวจะทําให้ถึงนิพานศีลเป็นภาคพื้นให้ถึงนิพานแต่ว่านิพานในชั้นหนึ่งเราจะเห็นว่ามันก็ดับนิพานที่ว่าดับเป็นดับภัยอย่างที่ว่ามันก็ถึงได้ในชั้นเด็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทร ง, ทรงแสดงพระพุทธเจ้ า, าจทรงแสดงพวกแถวนี้ฮะก่อจะนิพานใน ว, ว่าเยอะ า เ, เป็นส ร, ปสรุปสรุปสรุปสรุปประเทศมาทั้งสี่สิปีปีสุดท้ายนี่สรุปยะเลยก็ต้องแสดงว่าคนที่รักษาศีลนะฮะคนมีศีลรักาสาศีลเนี่ยประการแรกก็คือว่าถึงพร้อมในพวกสมบัติอย่างที่กล่าวแล้วประการที่สองเกียรติคุณที่ดีงามเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เล่าถึงท่านเสนาบดีคนหนึ่งถ้าไม่ไม่ใช่เป็นปุโรหิตนะฮะเป็นปุโรหิตคนเคารพพี่น้องพี่เท่าท่านหรือเกินท่านเป็นคนมีศีลเป็นคนที่เรียกว่าซื่อรรสัตย์สุจริตนะฮะไม่ใช่ซื่อรรสัตย์ทุจริตเออท่านก็เกิดสงสัยว่าไอ้คนที่นบับเอเคารพนับถือท่านเนี่ยนับถือเพราะอะไรเพราะท่านใหญ่ท่านเป็นปุโรหิตหรือท่านเป็นอะไร ก็ทดสอบดูมาเดินผ่านไอ้คลังแล้วท่านก็หยิบหยิบกระหาบาณะมาวันหยิบมาชิ้นเดียวฮะไม่หยิบมาไอ้คนข้ามก็มองแต่ไม่กล้าพูดเนื่องจากท่านเป็นบุรุหิตวันที่สองหยิบอีกคนนี้ชักส่งเสียงท่วงฮะแต่ท่านก็ทำเฉยหยิบตอบบ้านพอวันที่สามถูกจับเลยนำไปข้าประราชา ประชาชนก็กริ้วมากเสร็จแล้วท่านก็กราบทูลบอกว่าไม่หรอกคือท่านต้องการทดลองดูว่าที่เขานับถือท่านเนี่ยนับถือศีลของท่านหรือนับถืออำนาจตำแหน่งหน้าที่ของท่านถ้าก็นับถืออำนาจตำแหน่งหน้าที่ของท่านท่านไอ้พวกนี้ไม่กล้าจับท่านนี่แสดงว่าเขานับถือศีลท่านเพราะงั้นศีลนี้เป็นการดีแล้วก็ขอลาออกจาการราชการขอบวชขอเพิ่มศีลประชาชนสงทราบข้าวก็เริ่องสายห้ามปราบยังไงท่านก็ไม่เอาท่านบอกว่า ไอ้สมบัติที่แท้จริงนั้นก็คือสีนี้จากจุดนี้แหละคือท่านทั้งหลายจะเห็นว่าปีนี้เป็นปีปีคนฉราดสากลคนไทยเราก็ชักกลัวนะครับพวกหมอทั้งหลายก็ประชุมกันไม่ยอมรับคำวาา่าฉลาดเรียกว่าปีท่านผู้สูงอายุคือแก่มันกันแล้วจะไปไหนรอดก็เป็นเรื่องที่น่าคิดฮะถ้าเรามองความจริงกันแล้วเนี่ย ได้เห็นว่าในสมัยเราเป็นเด็กเราต้องศึกษาและเรียนเพื่อสร้างฐานของชีวิตสร้างครอบครัวสร้างตระกูลวงของเราในขณะที่เราทํางานก็เพื่อสร้าง h, เพิ่มพูนฐานะทางครอบครัวมั่นงคงขึ้นแต่พอปลดกเกษียณ น, นี่ที่จริงมันเป็นโอกาสของเราจริงๆนั่นแหละชีวิตของเราจริงๆมันอยู่ตรงเ น, งนี้อยู่ตรงที่บรรปลดกเกษียณแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เราทํานั้นเราก็มีแล้วสามารถอยู่ดีมีสุขในชีวิตปัจจุบัน ตอนนี้แหละเป็นเรื่องที่จะเอาสมบัติจริงๆคือนั่นก็คือสร้างเสริมคุณธรรมในด้านต่า ง, างๆด้วยทานด้วยศีลในที่ว่าเป็นต้นเนี่ยแล้วเป็นสมบัติที่จะติดตามเราไปจริงๆอย่างท่านบุโรหิตผู้นี้ฮะท่านท่านมองเห็นได้ชัดท่านทําด้วยการทดสอบเลยเห็นว่าความเคารพนับถือจริงๆนั้นนับถือที่ศีลไม่ได้นับถือที่ตําแหน่งหน้าที่แม้จะมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่โตอย่างไงถ้าไม่มีศีลก็ไปไม่รอด ศีลจึงยังประโยชน์สุขให้สาบเท่าชรา ค, รคือจะแก่จะเท่ายัางไงก็เป็นความงามนะฮะเป็นความงามอะไรสี่ชั้นนะ่ะที่ท่านแสดงความงามไว้สี่ชั้นความงามชั้นแรกก็คื อ, เ, อ, อเครื่องประดับตกแต่งฮะรประดับตกแต่งร่างกายนี่ก็ไม่กี่ชั่วโมงหรอกก็ไม่งามความงามชั้นที่สองคือสวดทรงรูปร่างซึ่งท่านจะเห็นว่าถึงช่วงหนึ่งมันก็รักษาไว้ไม่ได้ความงามชั้นที่3คือชั้นศีล งามกิริยามัญญาติงามเอกความมีระเบียบปินายความเป็นผู้ดีนะฮะความเป็นผู้มีศีลเป็นความงามตั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกวัยเป็นเครื่องประดับทุกชั้นนะฮะตานั้นจึงทรงแสดงไว้ว่าสีลังบลังอัปติมังศีลเป็นกําลังอย่างไม่มีที่เปรียนสีลังอาวุธส ม, มุตติมังศีลเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมคือสามารถฆ่าทําลายไอ้ความชั่วต่างๆได้ แล้วก็สามารถจะต่อสู้กับบุคคลทั้งหลายได้เลยซท่านยังทั้งหลายจะเห็นว่าท่านผู้มีศีลมักจะไม่ประทุษรายเพราะศีลมันเป็นอาวุธอาวุธในการไม่ใช่ต่อสู้กับเขานะฮะแต่หมายความว่าเขาไม่ต้องการที่จะทํำลายท่านเหล่านั้นกระสีลังอาภารนังเสศษถังศีลเป็นอภ ร, ออ ร, รันเปรศเป็นเครื่องประดับอันเปรศโดยตัดส่วนอื่นออกไปหมดเลย รูปร่างกายก็ดีไอเครื่องประดับตกแต่งก็ดีนี่ออกไปความงามสองชั้นนั้นไม่ต้องพูดถ้ามีอภรณ์คือศีลเป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นความสวยงามทแท้จริงแล้วก็ศีลศีลังกว จ, จมามพุตังนะฮะคือศีลเป็นเกราะเป็นเกราะอย่างมหัศจรรย์คือสามารถคุ้มครองป้องกัน ร, รักษาคนไว้ได้ ในชั้นอานิสงส์ส่วนหนึ่งข้อต่อไปก็คือองอาจกล้าหารเหมือนกันนะฮะองอาจกล้าหารไม่ขันขข้นคลั่งขำเกรงในสมาคมเหมือนกับคนไม่ผิดกฎหมายนะโยมลองนึกดูคนไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็คือไม่ผิดศีลนั่นเองจะเข้าไปในสมาคมใดไม่ต้องกลัวอะไรแต่คนทําผิดกฎหมายแล้วไม่มั่นใจตัวเองนะเห็นตํารวจก็วิ่งหนีดือดอดอดอด้อตารวจไล่จับว่าดือด้อเรามาสอบสวนกันทีหลังซึ่งบางทีเนี่ยตารวจก็อาศัยแนวนี้ได้เยอะที่จับคนเพราะอะไรมันไม่ปฏิสาร คนที่เป็นผิดอย่างพม่ปฏิสารใจไม่มสงบอ่ะยิ่งเห็นตํำรวจแล้วก็สแสดงออกมาเลยเดี๋ยวคุมอาการกริยาไว้ไม่ได้ที่เรืเรียกว่ามีพิรุธนะแต่ถ้าเรามีศีลเราก็ไม่หวั่นไหวในเรื่องแบบนั้นแล้วต่อไปก็ไม่หลงตายนะเหมือนการไม่หลงตายตายไปบังเกิดในสุกติคือคือให้สังเกตไว้ว่าอานิสง์ของศีลธรรมจัญญานะฮะคิดเรียกว่าชั้นโลกียธรรมคือธรรมะระดับโลกเนี่ยจะจบลงด้วยอานิสงสอง ข, องข้ออย่างนี้เรืยไป ข, ข้อสุดท้ายนะฮะข้อรองสุดท้ายกับข้อสุดท้ายจะไม่หลงตายกับตายแล้วบังเกิดในสุคติทุกแข่งไปไม่ว่าอะไรก็ตามเรียกว่าจําไว้เป็นสูตรได้เลยส่วนข้อข้างบนนั้นก็แผกแตกต่างกันออกไปเพราะว่าองค์ธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดอันนิสง์ไม่เหมือนกันแต่สองข้อนั้นจะเหมือนกันด้วยต่อไปก็เป็นสัขขกขกถาคือเมื่อให้ทานดีรักษาศีลดีต่อไปก็เป็นเรื่องของผลในข้อสุดท้ายนะฮะคือ ทำการรักกริยาไปแล้วไปบังเกิดในสุกติเรยสักขะคาถาคือพูดเรื่องสวรรค์ซึ่งเป็นผลที่คนจะได้จากการให้ทานรักษาศีลแต่เรื่องสวรรค์นั้นพึงสังเกตไว้ประการหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงสวรรค์ในเรื่องของเรียกว่าพบเสมอไปคือพบที่เราจะต้องไปอุบัติเสมอไปแต่จะแสดงอยู่สี่แนวสีแนวจะมีแนวบรรจบนะฮะแม้จะสีแนวเขาเรียกว่าปริยายเทศนาคือในญาติของเทศนา พระพุทธเจ้านั้นทรงฉลาดในโวหารที่จะพูดให้เขาเข้าใจแต่คนนี้พูดอย่างนี้เข้าใจก็พูดอย่างเนี้ยแต่ว่าจุดบรรจบมันต้องมีจุดบรรจบมันต้องมีอย่างที่มาเคยบอกว่าธรรมะทั้งหมดที่จริงเป็นอริยสัจสี่ทั้งหมดเนี่ยอริยสัจทั้งหมดเลย 84% ดหมี่พันมธรรมะขันธ์แต่ว่านิยาวิธีแสดงนี่คนฟังไม่เหมือนกันพระองค์ก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่ว่าพอปฏิบัติขจริงจะต้องเข้าอริยมรรคทั้งหมด ไม่ว่าจะเทศเรื่องอะไรก็ตามมาเข้าที่อะระยะบักหมดเวลาปฏิบัตินะฮะไม่ต้องไม่ต้องบอกไว้ก็ได้แต่จะมาเข้าเองเวลาปฏิบัติไปแล้วสวรรค์ที่ทรงแสดงในรูปของชีวิตคือฐานะที่แตกต่างกันภายในสังคมเนี่ยฮะคำว่าสวรรค์โยมต้องเข้าใจนะแปลว่าอารมณ์เลิศแต่นั้นเองนะสวรรค์แปลว่ามีอารมณ์เลิศอารมณ์คืออะไรก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือผู้ถ้าพะได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็จิตใจนะฮะ สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจที่เราเรียกว่าทรรมารมอารมณ์มันดีอารมณ์มันดีเราให้ทานเรารักษาศีลเราลองนึกดูเถเห็นรูปก็ดีๆฟังเสียงก็ดีๆไม่มีใครดินทามไม่มีใครสายร้ายไม่มีใครป้ายสีได้กลิ่นก็ดีๆรถดีๆสัมผัสก็ดีๆแล้วก็ใจก็สบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจก็สบายนี้แสดงว่าเราก็ได้สวรรค์สวรรค์ในรูปของชีวิต หรือว่าฐานะที่สมบูรณ์ด้วยพวกคสมบัติต่างๆไม่มีปัญหาในการครองชีวิตนี่ก็ถือว่าเป็นสวสรรค์เพราะคนเหล่านี้สามารถแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระที่ดีๆได้และรูปแบบชีวิตที่มีความทุกข์ยากลําบากทนทุกข์ทรมานติดคุกติดตารางเนี่ยก็คือเป็นนรกอันนี้ชุดหนึ่งถ้าเห็นว่าแสดงไว้ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเป็นเรื่องของสภาพจิตสภาพจิตในขณะนั้นๆเช่นว่าจิตที่ประกอบด้วยความ หิวโหยอยากได้นั้นอยากได้นี้มันก็เป็นนรกเป็นเปรตเป็นเปรตเปรตนี่มันมันกระหายไม่มีที่สิ้นสุดที่ท่านบอกว่าท้องถ้าผูเขาปากถ้ารูเข็มคือแสดงในรูปปุกาลาธิฐานเราจะเห็นว่าไอ้ท่าปากถ้ารูเข็มท้องถ้าผูเขาแล้วกินไม่อิ่มทีนี้คนที่ตกอยู่ภายใต้หน้ากิเลสโลภะตัณหาเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่อิ่มสักทีเนี่ยไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตามเพราะจะพล่องอยู่เรื่อยไป หรือว่ามีความมาคาดพยาบาทต้องการโต้อ ต, อตอบล้างผลาญมันก็เป็นนรกนรกทางใจแล้วก็ถ้าถ้าจิตใจเราสบายมีความสงบ ม, มีความสุขมีความเพลิดเพลินอยู่ด้วยอะไรก็ตามนัม่นก็เป็นสวรรค์เป็นสวรรค์แต่ว่าคำว่าอะไรก็ก็ตามนั้นไม่ไม่ใช่ว่าสิ่งไม่ดีนัไม่ใช่ว่าเพลินเล่นการพ น, นันเ้าจะเป็นสวรรค์นะคือว่าเพลินในเรื่องดีดีนะ เคลืนในเรื่องดีๆก็ถือเป็นสวรรค์นี่ชันหนึ่งชั้นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของคุณธรรมคุณธรรมภายในใจคนนะฮะคนเรามีคุณธรรมภายในใจก็เป็นเทพในร่างมนุษย์นี้เองเป็นพรหมในร่างมนุษย์เป็นพระยะในร่างมนุษย์คือเราเป็นเบ็ดเสร็จได้ในร่างของมนุษย์นี่เองโดยธรรมเชนอไรเช่นมีฮิริโอตปะมันก็เป็นเทวดาอย่างที่บอกไว้ในธรรมจักรก็แสดงธรรมะห้าข้อไว้ ว่าเป็นเทวดาคนระับคือไม่ใช่ทรงสแสดงไว้ในธรรมจักนะอาตมาพูดไว้ในธรรมจักรแล้วนะฮะในธรรมจกักกวัตนสุทธแล้วว่ า, ม, านนะมีศรัทธานะะมีศีลมีการศึกษาสดับจักฟังมากมีความเสียสละมีปัญญางั้นก็เป็นเป็นเทวดาเนะี่ยเป็นสวรรค์นนะฮะนี่คือสวรรค์นในที่เราเห็นได้แล้วเราก็เป็นได้ในชาตินี้ต่อไปสวรรค์สวรรค์จริงๆสวรรค์จริงๆคือสวรรค์นใน โลกที่เราจะไปอุบัติถ้าตั้งหลักยอย่าลืมนะฮะทรงใช้คําไว้บอกไว้ชัดเจนเลยบาลีใช้คําว่ากายสสะเพดาปรมราณาสุขติงสักกังโลกังอุป ป, ปัจชติหลังจากตายไปแล้วผู้สวรรค์หลังจากตายไปแล้วเลยไปบังเกิดในสุคติแล้วใช้คําอย่างนี้ตลอดเลยถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็แล้วไปถ้าว่าเชื่อแล้วพระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างนี้แหละสวรรค์จริงๆเลย สวรรค์จริงๆคือสวรรค์ในโลกอื่นโลกใช้คําคว่าปร ะ, ละโลกนะโลกอื่นไม่ใช่โลกเรานะสวรรค์ที่ทว่าเนี่ยเป็นอุบัติภพอย่างหนึ่งเป็นภพอีกอย่างหนึ่งที่มีความประณีตมีรูปดีๆมีเสียงดีๆมีกลิ่นดีๆมีรสดีๆมีสัมผัสดีๆ ม, มีอารมณ์ดีๆที่เราเรียกว่าเทวดานะแต่จุดร่วมมันอยู่ตรงไหนท่านต่างหลายจะเห็นว่าจุดร่วมมันอยู่ตรงไหนจุดร่วมมันอยู่ที่การปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติตามธรรมะคือปฏิบัติกุศลและทำละละบาปบำเพ็ญบุญนะสรุปง่ายๆอย่างนั้นนะมันสรุปอยู่ที่ละบาปบำเพ็ญบุญถ้าทำบาปก็เป็นนรกไม่ว่านารกในการดำรงชีวิตนรกในด้านจิตใจนรกในโลกหน้านารกในด้านตัวบุคคลแต่ทีนี้ถ้าหากว่าทำความดีมันก็เป็นสวรรค์สวรรค์ทั้งรูปของชีวิตนะสวรรค์ทั้งในด้านของจิตใจสวรรค์ทั้งในด้านบุญธรรม ธรมะยังมารวมอยู่ตรงนี้แล้วสวรรค์ทั้งออทั้งโลกหน้ามารวมอยู่ตรงนี้เองนฮะนี่คือปริยายเทศนาคนเราจะเป็นสุขใจไม่ได้เลยถ้าทําทุจริตคือจะจะมีสวรรค์ทางใจขึ้นมาไม่ได้เลยถ้ายังทําทุจริตจุดร่วมมีนะสรุปแล้วก็คือต้องละบาปบำเพ็ญบุตรไม่ว่าจะพูดเรื่องสวรรค์ปริยาไหนก็ตามในยะไหนก็ตามจะต้องละบาปบำเพ็ญบุต แต่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นพื้นฐานของคนเนี่ยถ้าสายนี้แล้วจะแสดงสวรรค์นในรูปแบบเลยคือสวรรค์จริงๆเลยสวรรค์นในอุบาติภพแสดงอย่างนั้นแหเพราะเพราะอะไรเพราะพื้นฐานคนฟังไปได้เข้าใจได้พอแสดงสวรรค์แล้วจะทรงสรุปรวมนะฮะสรุปรวมว่าไ อ, ไอ้ความสุขแม้จะเป็นทิพย์คือแม้จะได้จากสวรรค์ก็ตาม แล้วเป็นไปนอะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาดอกไม้สวรรค์ก็ยังร่วงเทพรบรตรก็ยังจิติเทพธิดาก็ยังจิติยังอยู่ในสังสารวัตเป็นพรหมเองก็ยังหวนกลับมาตกนรกได้แต่อะไรก็ส่งชี้ให้เห็นนะแต่ว่าให้สบายแต่ก่อนให้เพลินแตก่อนขึ้นไปเพลินแล้วถ้าหากว่าคนฟังไวไหวจะชี้โทษแต่ก็แล้วแต่นะฮะอย่างที่มาบอกว่าก็ไม่แน่ว่าจะขึ้นไป ย่งท่านนาทาบินที่กาตเศรษฐีพ ร, ระเจ้าก็ไม่เคยขึ้นไปถึงอีกอีกข้อหนึง่งอีกข้อที่4ี่ปรเทศธรรมดาเนี่ยเทธรรมดาพระเจ้าปรบัณฑิตโกศล น, นี่ส่วนมากแล้วก็สุจริตทุจริตเทอยู่แถนเนี่ยกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทแถนเนี่ยเพราะเราว่าท่านเป็นจเจ้แผ่นดินนะเทศให้เหมาะแก่ความเป็นเจ้าแผ่นดินของท่านให้ท่านเป็นจเจ้าแผ่นดินที่ดีจะอยู่ในแวดวงของตรงนี้สุจริตทุจริตเนี่ยถ้าขึ้นได้ก็จะแสดแงเรื่อง กามาธินุคือโทษของกามโทษของกามนั้นกาล ม, มันมีอยู่สองอย่างนะฮะที่จริงก็ไม่ได้จําหยาอะไรหรอกกามะแปลว่าวัตถุที่เราใคร่ก็หมายถึงอะไรกันหมายถึงอีกแหละคือรูปเสียงกลิ่นรสโฟโตฟ้อารมณ์ก็มีอยู่หอย่างนะฮะทั้งหมดนะ่ะคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตานะฮะเรียกว่ารูปสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูสิ่งเราสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็นึกคิดด้วยใจ พวกนี้เขาเรียกว่าวัตถุกรรมตัวเขาเองนั้นที่จริงมันกลางๆนะตัวเขาเองไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราเพราะงาั้นมันจะเป็นกรรมขึ้นมาได้ก็ใจเราต้องมีกิเลสกามคือกิเลสที่เป็นเหตุใคร่สิ่งเหล่านั้นมีการกําหนดหมายมีการรอมรับคุ ณ, ค, ณคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เกิดความอยากได้ซึ่งท่านทั้งหลายลองลองสังเกตนะฮะทั้งๆ้ที่เรามีกิเลสกามอยู่นี่วัตถุกรรมบางอย่างเราไม่อยากได้ เพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของมันนะอย่างยกตัวอย่างไงอะไรไอ้ตัวไอไไ้โดเรมอนเนี่ยโดเรมอนเด็กพอเห็นเลยซาวซีไอ้แม่ซื้อเราไม่อยากได้ทั้งทนะั้งที่ตัวมันเองก็เป็นวัตถุการมไอ้โดเรมอนแต่เราเองใจเราไม่มีไม่มีกิเลสกามในส่วนโดเรมอนอยู่เราก็ไม่อยากได้แต่เด็กก็อยากเพราะเด็กก็ยอมรับคุณค่าของไอ้ตัวไอ้โดเรมอนเนี่ยไงมันตรานเงินเมืองไทยไปหลายร้อยล้านแล้วเนี่ยญี่ปุ่นดูดพูดพดพูดพูดไป ไ อ, ไอแมวตัวนี้มาลวาดยุ่งไปหมดเลยบ้านเมืองนี่เราจะเห็นว่าตัวเรดมอนต์นั้นคือวัตถุกรรมนะแต่เราเองเราไม่มีกิเลสกามในตัวรเรดมอนต์นั้นเราก็ไม่อยากได้เด็กแกมีกิเลสกามทั้ทงๆที่เราก็มีโลภเด็กก็มีโลภนะแต่เราไม่โลภในตัวเรดมอนต์นั้นเราไม่อยากเด็กแกก็อยากพอเด็กแกโตขึ้นโตขึ้นแกก็ไม่อยากพวกเหล่านี้มันเป็น ก, กลางๆแต่นั้นเองมันไม่มีปัญหาแล้วฮะ นันอยู่ที่ใจเราเองนะั่นมีมีปัญหาขึ้นมานันอยู่ที่การกําหนดกําหนดใจว่าไอ้รูปนี้สวยเสียงไพเราะดีนหอมรสอร่อยสัมผัสห น, น่าจับต้องแล้วก็ไปมันก็เป็นกิเลสกามเป็นกิเลสการรมสม บ, บุกบนนุกด้วยแต่ทีนี้เรามองในแง่ของกิเลสกามทําไมว่ายโลภะไม่ใช่โทสะกโมโหหะหายไปไหนเยวหมาจะพูดว่าทําไมมันหายไปไหนไม่ได้หายนะอยู่ด้วยกัน เราจะเห็นว่าถ้าเราได้ตามที่เราพอใจก็เครื่มโลภะถ้าเราไม่ได้เราเกิดโทสะเห็นไหมฮะมันตีกลับอีกทีหนึ่งเป็นโทสะแต่ทั้งโลภะทั้งโทสะนั้นมีโมหะปนอยู่เรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่มีโมหะไม่มีความหลงเราไม่อยากเราไม่โกรธพระเจ้าจึงแสดงในแง่ของกามท่านน้อย่งคล้ายๆเอ๊ะกิเลสสองกองหายไปไหนไม่ได้หายอยู่กันเรียบร้อยอยู่กันพร้อมมูลไม่ได้ไปไหนไหน แต่ว่าทรงแสดงโทษของกามเพราะอะไรเพราะกามมีลักษณะติดพวกพวกวัตถุกามทั้งหลายนะฮะเราจะเห็นว่าเราก็ติดอยู่ในวัตถุกามเหล่าเนี่ยพระเจ้า ก, ก็ทรงแสดงในรูปของโทษแต่อย่าลืมว่าโทษนี้จะแสดงสมรับคนที่พร้อมจะบวชนะคนพร้อมที่จะบวชเพราะตายขึ้นไปแล้วมันพร้อมที่จะบวชแล้วถ้าเป็นชาวบ้านจะขึ้นไปแค่สวรรค์นั่นเองสามข้อพอเห็นว่าคนนี้พร้อมขึ้นขึ้นไปเลยเออ ทรงแสดงโทษไว้ในรูปที่ให้มองเห็นนะฮะในแง่ที่เรียกว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามองโลกในแง่ร้ายอย่างที่เขาเข้าใจนะแต่มองในแง่ที่ว่ามันมีโทษมันมีสุขน้อยแต่มีทุกมากคือโทษของกามให่มากแต่ว่าสุขนั้นน้อยยกตัวอย่างอาหารกันแล้วกันนะโยมลองนึกดูอร่อยอาหารเนี่ย ไม่มันจังนะกว่าจะมาเป็นอาหารเนี่ยต้องไปตลาดต้องซื้อต้องปรุงต้องล้างเสียเวลากันเยอะเลยนะฮะและกินอร่อยนิดเดียวเองเสร็จแล้วมานั่งล้างจานแขกแขเนี่ยบางทีทําบุญวันเกิดเนี่เตรียมตะการทั้งสามวันเตรียมการทั้งสามวันมาเห็นพระทีวันเนี่ยทำบุญวันเกิดมาผมไม่เอาเราจะให้เลี้ยงอย่างเงี้ยมันเรื่องอะไรกินข้าวไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงมันยุ่งก็เนี่ยมันมันสุกมันน้อยนะฮะแต่วทุกมากทุกตั้งแต่เริ่มอยากได้ เริ่มแสวงหาเริ่มได้มาเริ่มปรุงแต่งนะปรุงแต่งแล้วก็รับประทานรับประทานแล้วก็เป็นทุกข์อีกเอาไอ้รถมันเติมนั่นเติมนี่มันวุ่นอนะ่ะมันวุ่นวุ่ น, นเสร็จแล้วว่าหลังอย่างนั้นก็ล้างด้วยดูอ่าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ว่าอะไรทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเนี่ยที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นมีสุขน้อยส่วนที่เป็นสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธนะแม้งั้นก็ไม่เรียกกรมาคุณนะคือคุณกังการมันมีไม่ได้ไม่มีแต่คุณกองการก็มีแต่มีน้อย เมื่อเทียบกับไ อ, อความสุขไ อ, อเทียบกับความทุกข์ที่เราลงทุนลงแรงเพื่อให้ได้มาเพื่อแสวงหาเพื่อครอบครองเพื่อยึดถืออะไรแต่ไหนสารพัดนี่ทุกมันมากเลเดืดต้องใช้คำว่ามีสุขน้อยแต่มีทุกมากตัววัตถุการมมันก็ขึ้นกับที่เรากำหนดออยดังการแล้วนะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือนำริคิดถึงมนะันอ่ะพระเจ้าทรงรับสั่งว่ารับสั่งว่าดูก่อนการ บัดนี้เราพบเจ้าแล้วเจ้ามันเกิดจากความดำรินี่เองต่อไปเราจะไม่ดำริถั้งเจ้าแล้วให้ลองนึกดูนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่คิดถึงแล้วมันมันมมีอะไรมาทำเราได้ข้อสำคัญว่าเราไปคิดถึงไปปักใจไปปรุงคิดไปคิดปรุงเอาสวยรู้งดงามหยดย้อยห่อย่างนั้นแล้วไปไ เพราะงั้นไอ้วัตถุกรรมจึงไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้หมายถึงอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะฮะอะไรก็ได้ก็แล้วแต่อย่างว่าคนบางคนคล้ายๆกับละ ก, กิเลสแล้วนะฮะไม่ยินดีในกรรมแล้วไปนั่งเล่นลายคลามันนั่นแหละการมชัดๆอ่ะมันไม่เก่งจริงหรอกนะฮะไปเล่นในวิจิตสินไปเล่นภาพแอพแทร็อะไรตัวอะไรทุกอย่างในโลกนี้มันวัตถุการมทั้งหมดครับวัตถุกรรมทั้งหมดนะบางที พระบองโกงมาเล่นนากาเต็มกุฏิมันก็วัตถุการมอะนกาวัตถุการมทั้งนั้นนะฮะคือหมายความว่าสิ่งเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดลมด้วยจมกูกริมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุกรรมทั้งหมดแต่ว่าที่มันมีอิทธิพลต่อใจเราหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเรามีกิเลสหรือไม่ถ้าไม่มีกิเลสไม่มีปัญหาอะไรพระพุทธเจ้าเองก็ใช้วัตถุกามนะบาดของพระองค์ก็เป็นวัตถุกรมจีวรก็เป็นวัตถุกรมไม่ได้มีอะไรโรคก็ต้องอยู่กุฏิก็เป็นวัตุกาม แต่ว่าพระไทยไม่มีกิเลสกับจึงไม่มีปัญหาอะไรพระเจ้าทรงแสดงโทษในลักษณะเหมือนหวกฝีเหมือนโวกฝีที่กรัดหนองบ้างแสดงเยอะนะฮะเที่ยวกาวมุก ป, ประมานี่เยอะว่าไปเยอะจะส่วนมากจะเทศในวงนายจะเทศกับพระฟังฮะหรือว่าคนที่พร้อมที่พร้อมที่จะเทศเจะฟังเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไปได้ยังพระยาศาส์นี่ฮะพระยาศาส์ท่านไปของท่านเลย พระเจ้าขึ้นไปหมดครบทั้งเก้าขั้นนะหรือทรงแสดงในรูปของอสรพิษการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าเหมือนการจับงูนะเกี่ยวข้องกอสรพิษจริงอโอกาสที่เราจะถูกงูกัดมันก็มีอยู่ะเช่นว่าพวกรูปอะไรก็ตามนะฮะที่เราไค่เนี่ยมันก็พร้อมที่จะก่อให้เกิดอันตรายก่เราได้ หรือแม้แต่ชีวิตการคลองเรือนหรือว่าโลูกบุตรพัญญาสามีอะไรต่ออะไรเนี้ยเนี่นก็เหมือนกันอสราพิษเหมือนกันคือมันอยู่ที่จับเป็ น, นการคลองเรือนถ้าคลองไม่เป็นนะก็เป็นทุกข์ด้วยเจ้าเทรงแสดงเอาไว้ว่าเจ้าเรือนที่ครองไม่ดีแล้วก็มีแต่ทุกข์เช่นว่าผัวกับเมียไม่เข้าใจกันนะฮะมัเหมือนกับอสราพิษนะเหมือนกับจับศีรษะอสราพิษ เดียวพร้อมที่จะหวาดระแวงพร้อมที่จะทะเลาะพร้อมที่จะวิวาดกันเป็นต้นเนยทรงอุปมาไปแยะนะแล้วก็เมื่อทรงแสดงโทษจนคนฟังพร้อมที่จะหน่ายนะพร้อมที่จะหน่ายถ้าไม่พร้อมก็ว่าอยู่นี้ก่อนอธิบายว่าโดยละเอียดเสร็จแล้วพอเขาเบื่อหนายจะคือคล้ายๆกับว่าอธิบายให้เห็นเป็นอันตรายรอบทิศเอ๊ะมันจะหนีไปไหนเนี่ยอันตรายรอบตัวเลย แล้วก็จะส่งแสดงเน่ค้ำมานิสงหรือผลดีจากการการออกจากกรรมการออกจากการมนั้นเน้นไปที่กิเลสไม่ใช่เน้นไปที่จิตใจมากกว่าที่กายนะฮะเพราะฉนั้นส่งแสดงการออกเอาไว้เป็นสามแนวที่จริงก็4แนวไอแนวหนึ่งมันไม่ออกไม่ต้องพูดหรอกคือหมายความว่ากายออกใจไม่ออก ก็เช่นว่าออกบวชเป็นภิกษุเป็นสามเณรเนี่ยฮะแต่ว่าจิตใจยังเพ้อฝันยังรักใคร่ยังพอใจยังปรารถนารูปเสียงกลิน่นรสอยู่ ก, ก, ก็ก็ไม่ได้หลุดพ้นอะไรนะฮะกำแพงวัดมันช่วยไม่ได้อะมันอยู่ที่กำแพงใจใจเราจะเข้มแข็งได้สักขนาดไหนมันก็อีกเรื่องหนึ่งชั้นนี้ก็คือการบวชโ ด, ดยทั่วๆไปตลอดถึงว่าการสมาทานศีลอุบสถของญาติโยมนะฮะ จะเห็นว่าบางทีก็วางแผนเนะี่ยมีปัญหามาถามบ่อยนะกินน้ําเต้าคู่ได้ไหมกินนมได้ไหมวิตามินได้ไหมก็ยังอยากกินอยู่อยากกินอยู่นะแต่รักษาศีนสินแปดท้ามเลยเลยก็อะไรไปกินมันทําไมเราถ้าไม่อยากกินก็อย่าไปรักษามันง่ายนิดเดียวนี่ก็แสดงอะไรฮะแสดงว่ากายเราออกจริงฮะแต่ใจเรายังไม่ได้ออกอ่ะใจยังไม่ได้ออก ก็พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขอะไรแต่ไรคือหมายความว่าศีลก็ต้องการรักษาแต่ในขณะเดียวกันไอ้วัตถุ ก, กรรมเราก็อย่างเสียดายมันก็เลยก็พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขขึ้นมาต่างๆนี่คือกายมันออกฮะแต่ใจไม่ได้ออกอีกด้านหนึ่งนั้นใจออกกายไม่ออกออกจากกรมนะหมายความว่ากายเราก็อยู่ตรงนี้นนฮะแต่เราไม่เกาะเกี่ยวเรื่องเหลนั้นไม่ไปบุ่นไหวเขา ไม่ไปอยากได้ไม่ไปอาฆาตพยาบาทใครไม่ไม่คือสรุปว่าทําใจอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นในชั้นนี้ท่านจะเห็นว่าเปิดโอกาสกว้างอย่างที่มาเคยบอกไว้ให้ฟังทีแล้วว่าโดยเฉพาะตอนที่เป็นสุภาพสตรีนี่มักจะบ่นเรื่อยว่าไม่มีโอกาสบวชถ้ามีโอกาสบวชก็ไม่บวชอีกแหละคือว่าพูดเรื่องทําไม่ได้ไม่มีโอกาสทําที่จริงมันมีโอกาสนะฮะมีโอกาสก็คือออกทางใจเนี่ย เราอยู่ที่บ้านนะฮะอย่าไปวุ่นวายอย่าไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นมันก็สบายดีแล้วนี่ไม่มีปัญหาอะไรมันอยู่ที่ใจกิเลสเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัดนะฮะการลากกิเลสไม่ได้อยู่ที่วัดจะอยู่ที่ไหนปัญหาว่ามันกิเลสมันเกิดที่ใจมันก็ละที่ใจเราอยู่ตรงไหนเราก็ละได้ที่นั้นนี่เป็นการออกจากกิเลสด้วยใจเรามีรูปอะไรเราไปอะไรก็ไม่ไปอยากได้อะไรเราก็ละได้หรือว่ามีเรื่องกระทบเราก็ไม่โกรธไม่ยึดถืออะไร นี่ในชั้นทั่วๆไปนะฮะแต่ว่าชั้นจริงๆนั้นชั้นสมบูรณ์จริงๆนะพระญาติบุคคลนั้นท่านจะเห็นว่ามีชั้นเดียวแต่นั้นเองต้องบวชคือพระอาหารหันตานั้นชั้นอื่นไม่ต้องบวชพระานาคามีนั้นไม่เกี่ยวข้องในเรื่องเพศแต่ท่านก็อยู่ครอบครองเรือนอยู่กับลูกกับต้ากับครอบครัวนี่แหละก็คล้ายๆกับรักษาศีลหัวโสถก็แล้วกันนะคือไม่เกี่ยวข้องในเรื่องเพศแต่งานการอย่างอื่นนั่นก็ทํา แล้วก็ทำแั้วก็แนะนําสั่งสอนประชาชนใดๆนี่นั่นก็อยู่แต่เป็นชีวิตเขาเรียกว่าคารวาสสมุนีนะฮะเป็นฤๅษีอยู่ในบ้านฤๅษีอยู่ภายในบ้านเป็นนักบวชภายในบ้านขึ้นไปถึงนั้นนะฮะโอกาสมันเปิดกว้างธรรมานี่มันมันไม่ได้ผูกขาดไว้ว่าจะต้องบวชต้องอะไรไม่ได้เกี่ยวก็วสําคัญว่าใจมันพร้อมที่จะศึกษาพร้อมที่จะปฏิบัติหรือไม่แต่ว่าอีกแนวหนึ่งก็คือบวชทั้งกายทั้งใจ นนี้จริงฮะหมายความว่าตัวเองก็บวช ด, ด้วยแล้วก็ใจบวช ด, ด้วยคือดใจก็ออกที่ทรงอุปมาอุปมาข้อ น, นี้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ก่อนสัจโรนะฮะก่อนสรัรู้ตอนพระองค์วิเคราะห์พระไตรของพระองค์เอ้มันทําไมมันปฏิบัติแล้วมันไปไม่ได้อระพุทธเจ้าวิเคราะห์พระองค์อยู่ตลอดเลยแล้วก็ได้บทเรียนมาว่า <c oughs> สมณพราหมกใดก็ตามฮะที่กายไม่ออกจากกามใจก็ยังพัวพันอยู่ในกาม กายก็ยังยังเกี่ยวข้องวัตถุกรรมไอวัตถุกรรมนี่อย่างที่บอกนะว่ามันไม่ค่อยแปลกอะไรหรอกสําคัญอยู่ที่กิเลกรรสกามสมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้จะปฏิบัติยังไงก็ตามก็ไม่อาจที่จะบรรลุคุณพิเศษได้เหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางระวังไว้ในน้ําคือมันเปียก2เปียกเปียกยางกับเปียกน้ําเอามาสีไฟไม่ได้สีไฟทําให้เกิดไฟขึ้นมาไม่ได้สมณพรหาหมณ์เราใดเราหนึ่งก็ตามที่มีกายออกจากก ร, รมแล้วนะฮะกายคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมทั้งหลายแล้ว แต่ว่าใจเองยังผัวพันหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่ในวัตถุกรรมเหล่านั้นจะเพียรพยายามยังไงก็ไม่สามารถบรรลุคุณบิเศษได้มันเหมือนไม้สดที่มีอย่างแม้จะวางไว้ใกลนะ้น้ำามันเปียกอย่างเดียวครับเปียกจากแต่ก็จะเปียกเอาไปสีไฟไม่ได้แล้วก็สมัยโบราณก็อุปมาเป็นสีไฟสมัยปัจจุบันมนาะทเฟอร์นิเจอร์อะไรเนะี่ยงานนฟันนี้มันก็ทาให้ได้ ข้อที่สก็สํามณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่กายก็ออกจากกามแล้วใจก็ไม่พลวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสํามณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อใช้ความเบียนพยายามไปก็บรรลุผอภิเศษได้เพราะมันเหมือนอะไรมันเหมือนไม้แห้งที่ปราศจากยางและวางไว้ไกลน้ําอุปมาดีนะไม้แห้งที่ไม่มียางวางอยู่ไกลน้ำไม่จะแช่น้ํานะไม้แห้งแช่น้ําก็ก็ไม่ได้มันเปียกน้ําอีกไม้แห้งที่ไม่มียางและวางไว้ไกลน้ําบุคคลต้องการไฟ ก็นำมาสีให้เกิดไฟขึ้นได้คือไม่มีแม้แต่ความชื้นจากน้ำก็สามารถที่จะสีให้เกิดไฟขึ้นมาได้ ก, ก็จะทรงแสดงอานิสง์ของการออกจากกรารมพันนาอานิสง์ไปสารพัดอย่าง